แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมาดานิยะมียี่สิบเกองค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆบทนี้ได้กลา่าวถึงการทำสัญญาปรองดองที่ผู้ไดมีะที่กระทำขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุสลิกีนในปีที่หกแห่งฮิจรสัสรสกรา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 ว่าจะทำการต่อสู้ในหนวทางของอลัลลอฮ์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่และนับได้ ว, ว่าเป็นการทำสัตยาบันครั้งสำคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแกบ่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทาสงครามกับท่านรอซูลพวกเหล่านั้นได้คืบร้ายต่อท่านรอซูล บท น, นี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอสูลซลลลฮุอะไลวะสัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครบัดีนะและท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมะ ก, กาของท่านรอสูลซลลลฮุอะไลวะสัลลัมและบรรดามุสลิมได้ความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงเพราะทะาศูนย์และบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกะในสภาพผู้ทำอุมระด้วยความปลอดภัยและความสงดบทอัลฟัต ถ, ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอ AH ัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิยย่งใหญ่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 เพื่อรอดจะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่เกิดขึ้นภายหลังแตะ่จะทรงให้ความโปรโดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเพียงตรงและเลาจะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง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 เพื eles, ่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู to to ้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง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 هم, هم, م, และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกรอกชายและผู้กลับกลอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งพออาทีชายและบรรดาผู้ตั้งพออาคีหญิงโดยพวกเขาคิดร้ายต่อโลให้ร้ายเหล่านั้น จงประสบแก่พวกเขาเถิดแล้วล้อทรงโกรธกิ้วพวกเขาและทรงสาดแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยันนำนั้นไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งและเป็นสิทธิของอลัลลอฮ์คือไพ่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินละอลัลลอฮ์นั้น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 วเพื่อพวกเจ้าสัทธาต่อเหรอและรอสูนของโประงและความช่วยเหลือเขารอสูนและยกย่องให้เกียรตเขารอสูนและแท้สองสะดุดีพรงทั้งในยามเช้าและยามเย็นอินนั้ลที่นียบะยูงนัอินนมเยบะยูนัลลอฮฺยัดุลอฮฺฟาว์กดีิิหม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 ส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอ์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา <S <S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 บันทัมัลลีย์ขับัลลังก์ของรัศดุลแลาไปส่ครอวขพวกเาตลอดไปันพาจพวกเจ้าคิดว่ารัซูลและบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเปน็นอันขาด และนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพ้่แปรในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิ่งและถ้าบุไดไม่ได้ศรัทธาต่อ Allah และร a s ูลของพระองค์ ถ้าจริงเราได้เตรียมไฟลุกโชดช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแรมัน้าเด็ดขาดเถิดบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 อัลลอฮ์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าผิดหลังหนีดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหนีออกมาก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวด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 ا أ ز ز และทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลลอฮ น, นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายา วَาَ د َ ك ُ م อ ل ل ลอฮุมَแกรนِมَ ك َ่รเ ي ر เต้าขดุนฮาฟ ا จَ ع َ์ลัฟุมฮาดิฮิวคัฟเอِดิย์นَสัลคุมวคัฟเอ ل ดิَ์นัสَลค ك ُวลิต้องนُาเยต์ِ ي َม ل เอมินِน ي ن ยะบีคุมซิราตั้นนุสَ์ติม่าอัลลอฮ์ได้ส่งสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมาย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 أ ا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่ลอาส่งล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและเรบคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง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 และพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆนัลลกกน่นคือแ น, น, ท น, ท น, ใ น, ในวทางขอล้อแกบรดาผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่การบอาและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางขอล้อ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 พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา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 ز, الله على ز و و الله ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขา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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين م ح َ ل ِ ق ي ن رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم و ا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแกรอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มสัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์โดยบางคนโกนผมและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกําหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีก พระองค์ือผู้ส่งส่งรสูลของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะส่งให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้ว ที่ลอล้ส่งเป็นพยายนว่ามุฮัมมัดเป็นาศาสนาทูตของพระองค์ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك م ث َ ل ه م في التوراة و م ث َ ل ه م في الإنجيل كزرع أخرج شقه فأزره فاستغلظ ف آ ز ر ه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ا ل ز ر ا ع َ غير بهم الكفار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 ผู้รั่วป้วะสุยูดโดยแสวงหาคุณความดีจากออลล์และความโปรดปรานของกรุงเครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุยูดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอนและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินดี้ปันหนึ่งมเมล็ดพืชที่งอกหน่อ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 ในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการเอาัยโทษและรางวัลอันใหญ่